ทั้งหมดเนี่ยในเรื่องของการใช้ชีวิตเนี่ยการใช้ปัญญาในการที่จะมาวางท่าทีทางใจให้ถูกขับเน้นสภาพใจที่เป็นกุศลคือสภาพใจที่เป็นความฉลาดคิดมีความรู้เข้าใจเหตุและผลได้อย่างชัดเจนจึงเป็นเรื่องสําคัญที่จริงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีปกติชอบที่จะให้ทานกันอยู่แล้วแต่โดยส่วนใหญ่ ทานของเรานั้นก็จะเป็นไปกับชั้นทาคติบ้างละเอียงพอลักบางครั้งก็เป็นก็ะเพาะว่าโกรธไม่พอใจแต่ก็ยังให้อยู่บางกลุ่มก็คือไม่ได้จับที่เอตที่ผลใดๆแต่ก็ยังให้เนี่ยนะอีกอย่างหนึ่งก็คือพยาคติก็ละเบียงว่ากลัวกลัวถูกตําหนิบ้างอะไรบ้างเนี่ยที่จะมาให้ทานเนี่ยกุ้มหนึ่งก็เป็นกุลังสถานก็คือตาประเพณีนิยม อีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นไปในลักษณะว่าสังคัสะทานหนังกะหวังสุขติหวังโลกสวรรค์ที่จริงเน่ยทานกุศลนนไปถึงได้จริงๆนะแต่ไปหวังแค่อย่างนั้นไงอีกกลุ่มหนึ่งก็คือสงมนัตธา น, นังก็คือให้แล้วมันสบายใจที่ชอบให้ไม่ใช่อะไรเพราะให้ทีไรรู้สึกสุขใจสบายใจก็เลยให้แต่พวกเราเมื่อรู้ว่า ในเจ็ดอย่างนี้ยังเป็นขั้นตอนที่จะต้องพัฒนาต่อยอดเราก็ไม่หยุดนิ่งอยู่เพียงแค่นี้ฉะนั้นในช่วงนี้ก็คือเราจะต้องมาประดับตกแต่งจิตปรุงแต่งจิตของเราให้เป็นวางท่าทีทางใจให้ชัดจะต้องขจัดอคติออกให้ได้ให้สังเกตูไหมในเรื่องของการที่เตรียมตัวเตรียมตัวที่จะออปฏิบัติต่อทิศ ท, ทั้งหกเนี่ยการเตรียมตัวข้อแรกเลยเนี่ย ก็คืองดเว้นจากการฆ่ามีจิตกรุณาต่อสัตว์ทั้งหลายแล้วก็มีเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหมดความรักความปรารถนาดีและก็งดเว้นจากการรักก็คือว่าน้อมใจในลักษณะว่าทรัพย์ของใครก็จงเป็นของท่านผู้นั้นขอให้เขาจงมีความสุขกับการอยู่กับทรัพย์อยู่กับสมบัติของตนเอง เราจะไม่น้อมเอาทรัพย์เหล่านั้นมาเป็นของตนแม้ด้วยความคิดหรือคู่ครองของท่านผู้ใดก็จงเป็นของท่านผู้นั้นเราจะไม่คิดถ้าคู่ของบุคคลอื่นหรือบุตรหรือญาติมิตรของบุคคลอื่นที่เขายังมีบุคคลหวงแหนอยู่น้อมมาเป็นของตนด้วยอาการเห็นการประพฤติผิดทางกรมแล้วก็ขคำเน้นในการที่แต่งวาจาที่ไม่พูดเท็จ ไวาจาตัวเราจะให้คําสัตว์คําจริงเราจะให้คําสมัครสมานสามัคคีเราจะให้ปิยาวาจาคือวาจาอ่อนหวานแล้วเราจะให้สิ่งที่เป็นอัถะและธรรมะที่ประกอบไปด้วยเหตุและผลเห็นไหมถ้าเราพิจารณาอย่างนี้ก็จะเห็นชัดว่าอออเนเตรียมตัวแทนที่เราจะชําระกายให้สะอาดขับเน้นที่ภายนอกแต่พระเจ้าบอกว่าให้ชําระกายชําระวาจาให้สะอาด แต่ชําระที่ตรงไหนชําระที่จิตพอชําระเบ็ดเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปทํำยังไงต้องไม่มีอคติเห็นไหมการให้โดยอคติทั้งสี่มีฉันทาคติลําเอียงเพราะรักลําเอียงพเพราะโกรธลําเอียงเพราะไม่รู้ลําเอียงเพราะกลัวก็ขจัดอคติทั้งสี่แล้วก็ไม่พอสิ่งที่จะต้องฝึกเน้นขับเน้นตัวเองก็คือว่าเออปฏิบัติ รู้จักที่จะเลือกคบคนเข้าใจไหว่าคนที่ไม่ดีทั้งหลายเหล่านี้คือไม่คบแต่ไม่ใช่ไม่ช่วยเหลือเราไม่คบคือไม่เป็นสมาคมไม่เสพคุ้นเพราะถ้าเราเป็นสมาคมไปเสพคุ้นกับคนที่ไม่ดีเนี่ยมันจะเป็นปัจจัยต่อการที่ทําให้เราเสพติดกับุคลที่มีพฤติกรรมที่ไม่ดีแต่เราน้อมที่จะช่วยเหลือคนที่ไม่ดีได้คนเล่นการพนันเนี่ยเข้าใจไหม หรือเที่ยวการและเล่นเพลิดเพลินเน่ยนีเที่ยวกลางคืนเน่ยนีตลอดถึงคนที่เกียจค้านกลุ่มบุคคลเหล่านี้ท่านสอนไม่ให้ไปเสพติดแต่ว่าถ้าเราจักอนุเคราะห์น่ยได้จะช่วยเหลือน่ยได้ทั้งหมดเหล่านี้คือการเตรียมเลยเตรียมปรับปรุงกายวาจาและโดยเฉพาะเตรียมปรับปรุงใจที่เราจะได้ไปปฏิบัติหน้าที่ในการที่ปฏิบัติต่อพ่อแม่ได้ถูกเพราะทางนั้นเดี๋ยวเราไปปฏิบัติต่อพ่อแม่ แล้วก็กลายเป็นผู้ไม่มีศีลเข้าไปปฏิบัติต่อพ่อแม่หรือมีความเศร้าหมองทางด้านจิตใจไปปฏิบัติต่อพ่อแม่ท่านเลี้ยงเรามาเลี้ยงท่านตอบแล้วก็ปฏิบัติต่อท่านโดยจิตที่เศร้าหมองก็ผิดอีกเห็นไหมปฏิบัติด้วยจิตที่เศร้าหมอ ง, อมมองคือยังมีโดยมีพฤติกรรมที่มีการแสดงออกมาทางกายทางวาจาที่ไม่สำรวมระวังแล้วก็ปฏิบัติต่อคุณพ่ อ, ค, พอคุณแม่ที่ผิดโดยเฉพาะจิตใจเราก็มีความลําเอียงพ่อรักเพราะโกรธ เพราะพรไม่รู้กับเพราะเพราะกลัวเนี่ยกลัวชาวบ้านว่าบ้างที่สุดจริงเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงสภาพใจที่เป็นบุญได้จริงๆก็ไม่สามารถยึขับเน้นกุศลให้เกิดขึ้นจากพฤติกรรมที่ปฏิบัติต่อพ่อแม่ได้จริงทำกิจของท่านดํำรงวงตระกูลทําตนให้เหมาะสมเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทําบุญอุทิศให้คือท่านมาก่อนอยู่ทิศเบื้องหน้าเขาเรียกปุรัตถิมทิตพ่อแม่มาก่อนเราต้องปฏิบัติต่อท่านให้ถูกอย่างไร แล้วก็พ่อแม่ควรปฏิบัติต่อลูกอย่างไรอันนั้นก็อันนั้นก็วิากันอีกทีในรายละเอียดในหนังสือก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราหันหน้าไปทางทิศ ต, ตะวันออกเนี่ยด้านขวามือของเราเนี่ยก็เป็นทิศเหนือใช่ไหมเออเข้าไปทิศเขาเรียกด้านขวาด้านขวาของเราเนี่ยเขาเรียกว่าสิ่งที่เคารพเนี่ยเราโดยมากเอาไว้ด้านขวาก็คืออาจารย์พวกเราเนี่ยเป็นอาจารย์เราต้องรู้ว่าเออ จิตพึงจะปฏิบัติต่อเราอย่างไรเราพึงปฏิบัติต่อศิษย์อย่างไรความเป็นครูความเป็นอาจารย์เนี่ยเขาดูตรงไหนอ่ะเขาดูคุณธรรมที่มีคําว่าปิโยน่ารักเนี่ยปีโยที่ว่าน่ารักเน่ยเป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกเป็นคนที่น่ารักขอให้สังเกตอีกคำหนึ่งว่ารักอย่างเดียวไม่พอนะคําว่าครูเนี่ยน่าเคารพถ้าเด็กนักเรียนเขารักเราอย่างเดียวเนี่ยบางทีเขาไม่เชื่อวังหรอก ใช่ไหมครับพี่โอ้โครูนี่น่ารักน่ารักเลยแต่ถามว่าเขาเคารพเราไหม้าเหมือนกับพระที่มาบอกถ้ายอมพีจาร่โอ้ก็ก็ดีนะก็ศรัทธาท่านปกติแต่ถ้าไม่เคาเรพเนี่ยยอมจะไม่นอ้อมที่จะเอาไปเาราเพื่อปฏิบัติเนาะในลักษณะเดียวกันนะตรงนี้ก็คือ น, นั่นแหละคือการที่เราครูอาจารย์เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นบุคคลที่ควรเคารพเราอยู่ในฐานะเป็นครูเป็นอาจารย์ที่จริงพ่อแม่ก็เป็นครูอาจารย์ของลูกด้วยนั่นแหละ นั้นเราเนี่ยจะต้องคือคือคนที่เขาคาดหวังกับพวกเราสูงความเป็นอาจารย์เนี่ยความเป็นครูเนี่ยยิ่งสมัยโบราณเราจะเห็นชัดว่าเขาจะมีการไหว้ครูมีการปฏิบัติแม้แต่ออกจากโรงเรียนแล้วเขาก็ยังให้ความเคารพนะแต่ทั้งหมดเหล่านี้อยู่ที่พฤติกรรมคือการแสดงออกที่จะวางตนอยู่ในฐานะที่น่าเคารพจริงนะ ไม่ใช่อยู่ที่ว่าเออเราสอนมานานหรือว่าเราเพิ่งสอนมันไม่ใช้อยู่ตรงนั้นแต่ที่อยู่ที่การแสดงออกอยู่ที่การที่มีปรับพฤติกรรมและมีความเข้าใจในสถานภาพความเป็นครูที่แท้จริงนั้นตรงนี้ก็ต้องต้องต้อ ง, ต, องต้องไปตรวจสอบขับเน้นตัวสภาพใจที่เป็นไบกักุศสนที่เป็นไบกับคุณธรรมจริงๆสภาพความเป็นครูที่แท้จริง หลักลักษณะการที่เราจะสอนเขาด้วยเมตตาอย่างไรด้วยกรุณาอย่างไรแล้วก็ด้วยมุทิตาอย่างไรในขนาดที่เขาประสบความสําเร็จอย่างนี้เป็นต้นไอ้สิ่งต่างๆเหล่านั้นก็เป็นรายละเอียดแต่ทั้งหมดเหล่านี้เราก็จะเห็นเนี่ยว่านี่เห็นไหมว่าหรือถ้ามองด้านซ้ายเราเนี่ยคือมิตรคือเพื่อนถามว่าเออเพราะการที่เราคัดสรรคนดีคนชั่วไปแล้วเนี่ยเวลาจะครบก็เลยกลายเป็นครบบุคคลที่เป็น ภรรยาณมิตรจริงๆมิตรเนี่ยก็อยู่ด้านข้างเราคอยช่วยสนับสนุนทําให้เรานนเนี่ยไม่ตกต่ําแต่ถ้าบุตรภรรยาสามีเนี่ยก็เรียกว่าด้านหลังเขมาที่หลังเราทึงจะปฏิบัติต่อเขาอย่างไรอีกอย่างหนึ่งเราก็ต้องมีผู้ใต้บังคับบัญชาลูกน้องอันนั้นก็เบื้องต่ํานี่เราเห็นพระสงฆ์เห็นสมณีน เ, น เ, นเนี่ยอันนี้เราก็ต้องปฏิบัติให้ถูกอันนี้เป็นทิศเบื้องสูงที่เราควรจะให้ความเคารพอย่างไรก็ปฏิบัติให้ถูก ทั้งหมดเหล่านี้ก็เรียกสังคมนะสังคมเนี่ยคือจะต้องไปร่วมกันก็คืออยู่ร่วมกันด้วยการที่มีการยึดโยงกันด้วยด้วยอะไรด้วยทานคือการให้เห็น ไ, ไหมไอ้ตัวจะเชื่อมประสานตัวที่จะยึดโยงจะทำให้สภาพของกลุ่มหมู่ชนเนี่ยไปกันได้ดีก็คือตัวทานคือการให้ก็ต้องไปขับเน้นใจให้ออกมาิงว่าให้ด้วยเมตตาอย่างไรให้ด้วยกุณาอย่างไรให้ด้วยมุทิตาอย่างไร ขับเน้นธรรมะประการที่สองปียาวาจาเนี่ยพูดด้วยเมตตาอย่างไรพูดด้วยกรุณาอย่างไรพูดด้วยมุทิตาอย่างไรหรืออัตตาจริยาการประพฤติประโยชน์ที่เป็นไปกับเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาโดยเฉพาะข้อสุดท้ายที่บอกว่ า, าสมานนตตาเนี่ยเอาตนเข้าไปเสมอสม า, า, าเนเอาเข้าไปสมานที่บอกว่าเออเมื่ออยู่กับกลุ่มชนที่เป็นกัลยาณมิตรร่วมกันแล้วเนี่ยจะร่วมสุขร่วมทุกข์อย่างไร วางตนให้เหมาะสมอย่างไรเขาสุขแล้วเราก็ร่วมกับเขาเมื่อเขาทุกข์ก็ช่วยเหลืออย่างไรเมื่อเขาเจริญขึ้นมาแล้วก็วางท่าทีที่จะใช้พรมวิหารอย่างไรที่จะเป็นตัวยึดโยงเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันทั้งหมดเหล่านี้คือเขาเรียกว่าสภาพสังคมที่เป็นอารยาชนไม่ใช่อนารยะที่พระเจ้าวางแบบปรอบเอาไว้ว่านี่ไงอารยาชนเนี่ยเขาปฏิบัติกันอย่างนี้เขาอยู่ร่วมกันอย่างนี้ แล้วก็จะมีความสุขสภาพสังคมก็ยึดโยงกันได้อย่างอย่างดีก็ขอโมน า, าพวกเราทั้งหลายที่พยายามจะขับเน้นและต้องการจะปฏิบัติให้เป็นกลุ่มชนหรือเอารูปแบบของอริยชนเข้ามาเอามาเป็นรูปแบบในการปูเป็นแนวทางในการที่เราจะเดินพัฒนาตัวเราเองให้เข้าสู่สภาพสังคมอย่างนั้นดิแท้จริงใหม่ๆเราอาจจะเพียงจะได้รูปแบบ แต่ทั้งหมดเหล่านี้เราจะต้องพัฒนากระแสความคิดกระแสชีวิตของเราเนี่ยให้เข้าถึงสภาพอรารยชนให้ได้เพื่อจะขจัดความเป็นอนาอารยชนที่มีการอยู่ด้วยกันก็มีการขัดแย้งกันมีการปรัดสไลด์กันมีการไม่ประพฤติปฏิบัติตามพื้นฐานคำสอนที่ถูกต้องตรงนี้แหละมันจึงเป็นสังคมรูปแบบจริงๆเป็นอรารยชนที่เป็นต้นแบบของสังคมไทยได้ที่แท้จริง แต่เราจะขับเน้นไปได้ถึงไหนอันนั้นก็อยู่ที่ว่ากิจกรรมนี้มันต้องต่อเนื่องมไม่ใช่ทำแค่เจ็ดวันอันั้นก็ฝากครูอาจารย์ไว้ว่าเออเนี่ยกิจกรรมตรงนี้มันต้องเริ่มที่ตนเองไม่ใช่ไปเริ่มที่คนอื่นเมื่อเริ่มที่ตนเองแปลว่าตัวสภาพคุณธรรมเหล่านี้มันหลั่งไหลออกจากทางกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมของเราหลั่งไหลเป็นพฤติกรรมเป็นเนื้อเป็นตัวของเราได้จริงๆมันถึงจะออกไปข้างนอก ดังนั้นจึงจะเป็นสภาพสังคมที่เป็นต้นแบบเป็นอรารยชนที่ที่เป็นจุดมุ่งหมายเป็นมาตรฐานของชาวพุทธเป็นมาตรฐานของอโรงเรียนบรรจงรัฐที่ตั้งใจไว้เนื้อที่อย่างทางสมมเด็จลดตั้งใจไว้เนื้อเอออย่างนจะได้มาตรฐานจริงๆแต่ว่าเออเราจะเดินไปถึงจุดนั้นหรือไม่อันนั้นก็เป็นโจทย์ที่ตั้งกันไว้และรูปแบบมีอยู่แต่เพียงเราจะเดินเข้าไปไหม เราจะฝึกหัดเราจะพัฒนาตนเองไปถึงจุดหมายปลายทางได้หรือไม่มันก็อยู่ที่พวกเราแต่ละบุคคลน่ก็ต้องร่วมแรงร่วมใจทั้งหมดเหล่านี้ก็คือขับเน้นตนเองให้ได้เมื่อตนเองได้แล้วเนี่ยมันจะหลั่งไหลออกจากพฤติกรรมที่แสดงออกนักเรียนก็จะได้บุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสามีเป็นบุตรเป็นภรรยาเป็นญาติมิตรเป็นพ่อแม่ทั้งหลายก็จะเห็นจะเห็นมาตรฐานของชาวพุธทธแท้จริง หลังไหลออกจากพฤติกรรมของเรา really แล้วที่สุดจริงๆเนี่ยเขาบอกจําได้ไหมที่ท่านอาจารย์มีชัยพูดเมื่อคืนเนี่ยจริงๆแล้วกุศลที่มันเกิดขึ้นในใจเรา in <c oughs> จร like ิงๆเนี <orean> ่ยมันจะเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมแต่ไม่ใช่ว่าเราเปลี่ยนไปตามสิ่งแวดล้อมแต่สิ่งแวดล้อมมันจะเปลี่ยนไปตามพฤติกรรมหรือคนที่มีบุญคนมีบุญเนี่ยพฤติกรรมต้องเปลี่ยนโลกต้องเปลี่ยนสังคมต้องเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมต้องเปลี่ยนโซนชั้นบรรยากาศต้องเปลี่ยนไปในทางที่ดี แต่ไม่ถ้าหากคนมีบาปมาอยู่เนี่ยแต่ว่ามันมันทำลายที่ตนเองก่อนแล้วมันก็ทําลายสิ่งแวดล้อมทําลายโซนชั้นบรรยากาศทําลายสังคมก็ทําให้สภาพสังคมะหรือสังคมเนี่ยมันไปร่วมกันไม่ได้มันไม่ได้ไปอยู่มันไปพังมันไปพังเพราะมันไม่มีสังขาวัตถุธรรมที่เป็นตัวยึดโยงทําให้สภาพสังคมนั้นน่ยยึดเหนี่ยวกันแล้วก็เป็นไปได้ดีตรงนี้ก็อยู่ที่พวกเราว่าเราจะเข้าใจคําสอนของพระเจ้า แล้วก็เดินไปถึงจุดหมายปลายทางและก้เป้าหมายที่สังคมอารยชนที่ท่านประพฤติปฏิบัติซึ่งเป็นมาตรฐานชีวิตของชาวพุทธได้อย่างแท้จริงข้อมรธนาการกุศลเจตนาของเราที่พยายามเดินทางบุศลสินกุศลและพัฒนาสุภาวนากุศลเพื่อต้องการทําตนเองให้เป็นต้นแบบได้อย่างที่แท้จริงก็ขอความตั้งใจขอความมุ่งหวังที่ดีงามทั้งหลายจงประสบความสําเร็จนะ โดยพันโดยสะดวกขออำนาจคุณของพระรัตนตรยัยคือพุทธรัตนธรรมรัตนสังขรัตนจงเป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายอุปสรรคทั้งหลายที่จะมาขัดขวางการเดินไปสู่มาตรฐานของชาวพุทธที่ถูกต้องและก็เป็นสังคมที่เป็นอารยาชนที่แท้จริง ขอให้คนของพระรันตนตรยจงขจัดปัดเตาอุปสรรคอันตรายต่างๆเหล่านั้นแล้วก็ให้กระแสชีวิตของเราสามารถเดินเข้าไปสู่แนวทางของอริยชนได้ถูกต้องแล้วก็เป็นอริยชนที่ดีงามให้ประสบความสำเร็จโดยพลันโดยง่ายโดยสะดวกโดยทั่วกันทุกท่านทุกประการเถิสดสาธุอ้าวจะได้จได้พาจะได้มารับอาหารนะะะเคอาหาร